กรรมที่ว่าไม่กลางๆนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวนี่ถือว่าเป็นกรรมหรือ่ามันต้องรู้ตัวเสียคนอาบน้ําคนรู้ตัวปะเหยียบมดหรือว่าอะไรอ๋อเหยียบมดนี่อันนี้มันก็ไม่เป็นกลางละมันก็ทําให้คนอื่นตายมดตายเพิ่งอดูเราไม่ไม่ไม่ตั้งใจแต่ไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจมันก็ไม่เป็นกรรมคือว่ามันมันเราจะไม่ได้ไปทําซ้ําอีก เหมือนกับการที่เราทำอะไรด้วยเจตนานี้เรามักจะทำซ้ำอีกมันไม่ไม่ใช่คไม่ดำไม่ขาวอะไรที่ไม่ใช่จะว่าไม่ไม่จะว่ามันคือมันไม่ดํำไม่ขาวก็ไม่ถูกเพราะว่ามันก็ทําให้เกิดความเสียหายกับผู้เป็นการฆ่าเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเสณทีอาจารย์บอกว่าไปซัพพลีไปอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นกลางๆไปมันไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแต่ไม่ได้ไปช่วยให้ใครเขา เกิดความสุขขึ้นมาส่วนบาบางอย่างมันบาปแต่มันบาปแบบไม่มีผลคือถ้าไม่ทำด้วยเจตนานี่มันไม่มีผลหรือบุญที่เราทาโดยไม่มีเจตนาเช่นเงินหล่นหายไปแล้วก็คนเก็บไม่ใช้นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเสียมันไม่ได้เป็นบุญสาหรับเราถือว่าไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจทําต้องตั้งใจทําต้องตั้งใจเสียเงินงแล้วมีคนรับต้องเอามาจากใจก็เรื่องของกรรมก็เรื่องที่พวกเราทํากันอยู่ทุกวันนี้เราทํากรรมกันตลอดเวลากรรมก็มีสามทางกรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปและกรรมที่เป็นกางกลางคือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป คำว่าบุญก็คือการกระทำอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นหรือกับตัวเราก็เรียกว่าบุญการกระทำอะไรที่เป็นโทษไม่เกิดประโยชน์เกิดความเสียหายกับผู้อื่นหรือกับตัวเราเราก็เรียกว่าบาปส่วนการกระทำที่ไม่ได้เกิดคุณเกิดโทษเกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็เป็นกรรมที่เรียกว่า กรรมกลางๆไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาปเช่นเราทํางานเกี่ยวกับร่างกายเราดูแลร่างกายเราเลี้ยงดูร่างกายเราอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี่เราไม่ได้เรียกเป็นการทาบุญแต่เราก็ไม่ได้เรียกเป็นการทำบาปเพราะมันไม่ได้เกิดคุณเกิดโทษกับใครอันนี้ก็มีกรรมที่เราทำกันสามทางกรรมที่เป็นปัญหาก็คือ การกระทำบาปเพราะการกระทำบาปนี้มันจะทำให้เราต้องไปรับโทษทั้งขณะที่เรามีชีวิตอยู่และขณะที่เราตายไปโทษที่เกิดในขณะปัจจุบันก็ทางใจก็ไม่สบายใจทำบาปแล้วใจก็จะไม่สบายแล้วก็มีโทษทางร่างกายถ้าตำรวจมาจับได้ก็จับไปขังคุกขังตารางจับไปลงโทษได้ แต่หลังจากตายไปแล้วยังมีโทษทางใจตามมาอีกคือใจจะต้องไปดับโทษในอบายไปติดคุกตารางในโลกทิพย์อบายนี้เป็นเหมือนคุกตารางในโลกทิพย์มีอยู่4่แดนแดนที่หนึ่งเรียกว่าเดลฉานแดนที่สเรียกว่าเปรตแดนที่สามเรียกว่าสุลกายแดนที่สี่เรียกว่านารกใจที่ทำบาปจะต้องไปเป็นเดลฉานถ้าทำด้วยความไม่รู้ ไม่รู้ว่าเป็นการกระทําบาปไม่รู้ว่าทําแล้วมีโทษจะมีไม่รู้หรือไม่รู้เขาจับเราไปขังคุกในนี้ถ้าเราไปทําผิดกฎหมาย ก, ก็แบบเดียวกับเดราชานเขาไม่รู้ว่าเขาทําบาปเพราะเขาคิดว่าเขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเดราชานเขก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือไปขมโมยอาหารของคนอื่นเช่นหมาบางทีมันก็ไปข้ามอาหารของคนอื่นกิน อันนี้ก็จะทำให้ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากรวยอยากอะไรอย่างนี้ก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำด้วยความกลัวกลัวไปหมดกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้ก็เลยต้องทำบาปก ล, ก, ากลัวมดก็ฆ่ามดกลัวแมลงก็ฆ่าแมลงกลัวอะไรฆ่ามันหมดเจอมันก็ ฆ่ามันทั้งทั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องฆ่ามันแต่ก็ต้องฆ่ามันเนี้ยอันนี้ก็ไปเป็นอ ส, สู ร, รากายหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกวเป็นผีเราก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วถ้าฆ่าด้วยถ้าทําบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดาวลดอย่างพระเทวทัศน์นี่โกรธพระพุทธเจ้า ขอเป็นประธานสงฆนะ์พระพุทธเจ้าปฏิเสธก็เลยโกรธพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จก็ต้องไปตกนรกเป็นเป็นเป็นนรกที่ลึกที่สุดด้วยเพราะเป็นกรรมที่ยิ่งกรรมที่หนักที่สุดกรรมที่หนักที่สุดนี่มีอยู่สชนิดด้วยกันสี่หรือห้าสี่อันหนึง่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อรหันต และทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดไม่ต้องถึงกับข้าพุทธเจ้าเพียงแต่ทำร้ายพุทธเจ้าถึงกับห่อเลือดนี่ก็ถือว่าเป็นกรรมหนักนะถ้าใครทำกรรมทั้งสีนี้ตายไปก็ต้องไปตกนร ก, กที่ลึกที่สุดถ้าเป็นโทษก็โทษประหารชีวิตนี่นี่คือเรื่องของการทำบาปแต่เรื่องของการทำบุญนี้เป็นประโยชน์ บุญนี้ก็มีสองระดับระดับโลกียะกับระดับโลกุตตะระระดับโลกยะก็คือยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นตายทำบุญแล้วตายไปก็ไปทำบุญและไม่ทำบาปก็ตายไปก็จะได้ไปเป็นเทวดาถ้าไม่ทำบาปแต่ไม่ได้ทำบุญก็ได้เป็นมนุษย์แล้วถ้าทำบุญที่สูงกว่าระดับของเทวดาก็คือนั่งสมาธิถือศีลแปด ก็ได้ไปเป็นพรหมแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะบุญที่ทำเหล่านี้จะหมดเหมือนเติมน้ำมันรถยนต์แต่มไปแล้วขับไปวิ่งได้สักพักน้ำมันหมดแล้วก็ต้องแวะเข้าสถานีบริการาการมาเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนกับการมาเติมบุญ เ, เติมน้ำมันกันถ้าเราทำแต่บุญทุกภพกทุกชาติไม่ทำบาปเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติไปเป็นพรหมไปเป็นเทพ แต่ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเติมบุญใหม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่เรียกว่าร ะ, ระดับโลเกียเป็นระดับที่ที่ต้องทำกันแบบนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะจะไม่มีใครรู้ระดับโลกุตระคือระดับที่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่การที่จะกลับไม่กลับมาเกิดใหม่ต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ถึงสาเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดใหม่กันสาเหตุที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดใหม่ก็คือความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ราบยศสารเสริญความอยากไม่ให้ราบยศสารเสริญ น, นี้สูญไปหมดไปเรียกว่ากามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาพอมีกรรมทั้งมีความอยากทั้งสามประการนี้ก็จะต้องกลับมาเกิด ทำบุญขนาดไห น, นก็ยังทําเพื่อความอยากอยู่ทําเพื่อเราจะได้มีความสุขจากการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่เราก็ยังมีความอยากก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องเจริญปัญญาต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการมาเกิดของการทําให้ใจเราไม่มีความสุข ความสุขนี้อยู่ที่ความสงบเราได้ความสุขจากการสงบด้วยการนั่งสมาธิแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากความสุขนั่นก็หายไปพออยากกินกาแฟปั๊บก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้พออยากจะดูหนังก็ดูอยู่เฉยเฉยไม่ได้ก็ต้องไปทาตามความอยากพอไปทาตามความอยากมันก็ได้ความสุขเดียวเดียวพอได้ดื่มกาแฟก็สุขความ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดความอยากที่จะดื่มกาแฟถ้วยใหม่โผล่ขึ้นมาเออนะถ้าถ้าอยากจะหยุดการดื่มกาแฟก็ต้องอย่าไปดื่มเวลาอยากถ้าไม่ดื่มทุกครั้งที่อยากเดี๋ยวต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปต้องเห็นวิต้องรู้ว่าความอยากเป็นตัวทำให้เราต้องไปทุกข์กับการหาสิ่งต่างๆมามาเสพ แล้วเวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์เวลาอยากดื่มกาแฟไม่มีกาแฟให้ดืม่มนี่มันก็จะหมดหงดหิดนํำคานใจไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากมันจะให้ใจเราทุกข์แล้วจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราใช้ปัญญาที่พเจ้าได้ทรงคนพบว่าการทำตามความอยากเป็นการทาให้เราทุกข์และทาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ การไม่ทําตามความอยากนี้จะเป็นการที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปถ้าเราทําได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจบตายอันนี้เรียกว่าระดับโลกุตตะระบุญระดับโลกุตตะระผลก็คือทําให้เรากลับมาไม่ต้องกลับมาเกิดแต่โลกุตตะระนี้ก็มีแบ่งไว้4ระดับ ระดับแรกยังต้องกลับมาเกิดแต่กลับไม่เกิดไม่เกินเจ็ดชาติระดับพระโสดามันระดับที่สองระดับพระสกิดาคามีนี้กลับมาเกิดเพียงชาติเดียวระดับอนาคามีนี้ไม่ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไ่เกิดเป็นพรหมแล้วก็ไปมนุษย์เป็นพระอรหันต์ต่อไปพอเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นภพของมนุษย์หรือของพรหมของ เวาที่ต่อไปก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่เราจะหลุดพ้นได้ต้องมาเจอพระพุทธศาสนากันถ้าสมมติชาตินี้เรามาเกิดแล้วไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะทำได้อย่างมากแค่ทำบุญนั่งสมาธิแต่เราจะไม่รู้จักวิปัสสนาไม่รู้จักปัญญาว่า ต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากความอยากของเราอันนี้ต้องมีพระพุทธเจ้ า, ามาค้นพบความจริงอันนี้แล้วเอามาถ้อยแผส่สั่งสอนให้แก่พวกเราอย่างชาตินี้พวกเราโชงดีถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดเราก็สามารถทําได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาถึงแม้อยากจะไม่กลับมาเกิดก็ทําไม่ได้เพราะไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้ไม่กลับมาเกิดทําอย่างไร นี่คือเรื่องของกรรมท่านถึงสอนว่าอย่าทำบาปให้ละการกระทาบาปทั้งปวงอย่างกุศลบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำความดีต่างๆให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ชำระความอยากให้หมดไปจากใจนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้ในโลกนี้ท่านก็จะสอนแบบนี้ทุกองค์ เหมือนกันเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้สตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปงั้นก็จะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวะรวะหาปุราปะริปุเรนติสาขาังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิทิตังปาทิต um ังตุมหังคิดปะเมวะสมิจจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรบาโสยะธามณิจโตติรบาโสยะธาสัพ so พิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตผวะตวันตราโยสุขีทีคาโยโภวะ อาภิวาทานาสีิตสะนิจังุทธาปจายิโนจตารโธมรมวะทานติอายุวโนวสุขังพาลังสาจดูวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กวันนี้290 290ยเาสยคงยังเหนื่อยจากการไป ต่างยังหวจันนะแทางทาง y o u t u เท่าไหร่ยููปยี่สิบทางวีดีโอเท่าไหร่ยี่สิบเก้าลยอาจจะเจอภาพภาษาอังกฤษก็ได้เดี๋ยวนี้กลับมาภาษาไทยนะมาจากที่ไหนกันบ้าง อย่งสาวตสรวจปราการรู้จักที่นี่ได้ยังไงเคยมากับคุณอาตอนนั้นมาทำบุญน ะ, ะแล้วเพื่อนก็ได้ชวนเพื่อนอไม่ได้เคยติดตามทางเฟ b บุ๊ก็ว่ า, ว ต, ต, าติดตามด้วยเลยทุกคนเดี๋ยวนี้ใช้เฟซบุ๊กกันว่าใช่ครับใช่ใช ตอนเดี๋ยนี้ก็มีการถ่ายทอดสดทุกวันมีศรัทธาญาติโยมทีมงานเสียสละเวลามาทำประโยชน์อันนี้มาทำธรรมทานการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงแม้ว่าไม่ได้เป็นธรรมของเราแต่ก็เป็นการสนับสนุนให้มีการเผยแผ่ธรรมก็เรียก ว, ว่าได้ทำธรรมทานเช่นเดียวกัน หรือจะเป็นการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็เป็นธรรมทานถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นธรรมของเราแต่ถ้าเรามีธรรมแล้วเราไปสอนคนอื่นอันนี้ก็เป็นธรรมของเราอันนี้ก็เป็นธรรมทานเหมือนกันก็มีหลายรูปแบบของการทำธรรมทานพิมพ์หนังสือธรรมะแจกสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีการต่างๆ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับธรรมเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากธรรมมีธรรมเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นกันได้นั้นต่อให้เราให้เงินทองใครเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถทำให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราให้หนังสือธรรมะเขาไปอ่านเขาอาจจะ อ่านแล้วเกิดศรัทธาอ่านแล้วเกิดอ่านมีดวงตาเห็นธรรมันรลุธรรมขึ้นมาเลยก็ได้เขาก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างชาวเกาหลีนี่เขาก็ได้อ่านหนังสือธรรมะมาแล้วเขาก็ปฏิบัติที่บ้านมาตัง 4, 4, ้งสี่สี่ห้าปีจนถึงถึงเวลาจะต้องบวชเพราะรู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วมันจะก้าวหน้าไปกว่านี้ไม่ได้ เพราว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เอืึอเหมือนกับการมาบวชการการปฏิบัติที่บ้านตามลําพังก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ในกระถางปลูกไปสักพักหนึ่งกระถางมันมันก็แตกต้นไม้มันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่าไม่ได้เพราะมันไม่มีดินให้มันกินแล้วครับมันก็ต้องย้ายต้นไม้นี้ลงไปในดินมันถึงจะโตได้ตอนต้นเราก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนก็ได้ครับ พอเรายังไม่ปฏิบัติมากยังไม่เจริญก้าวหน้าแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านวันหยุดวันพระวันอะไรไปก่อนแต่ต่อมาพอปฏิบัติแล้วมันอิ่มตั ว, วมันรู้ว่าจะไปเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมันก็รู้ว่าต้องไปหาที่ที่เงียบกว่านี้ที่มีเวลามากกว่านี้และไม่มีที่ไหนจะดีกับที่วัดที่มีการปฏิบัติคือวัดป่าวัดเขาต่าง ที่นั่นจะมีบรรยากาศที่สงบแล้วก็มีมีมีปัจจัยที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติไปบวชก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้าถ้าต้องไปทำงานควบคู่กับการปฏิบัติมันก็จ ะ, ะชนกันขัดกันเวลาไปทำงานก็ต้องใช้ความคิดแต่การปฏิบัติเราต้องการหยุดความคิด มันก็เลยเหมือนเดินชั ก, กะเยาะกันไปเวลาไปทํางานก็ถูกดึงไปทางความคิดพอกลับมาปฏิบัติก็มาดึงกลับมาหยุดความคิดมันก็เลยไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ต้องทํางานทําการมาบวชมีคนรับมีคําสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่เราก็สบายเราก็สามารถควบคุมใจไม่คิดได้ตลอดเวลาพอใจไม่คิดได้นั่งสมาธิใจก็สงบ พอสงบก็จะเห็นธรรมจะเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากที่อยู่ในใจที่เรามองไม่เห็นขณะที่ใจไม่สงบเพราะขณะใจไม่สงบนีเหมือนน้ำที่มันขุนน้ำขุนเราจะมองไม่เห็นปลาที่อยู่ในน้ำแต่ถ้าเราทำให้น้ำมันนิ่งแล้วให้มันใสได้เราก็จะเห็นตัวปลาเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในน้ำธรรมต่างๆก็มีอยู่ในใจของเราแต่เรามองไม่เห็นกัน เพราะใจเราวมัวขุ่นด้วยความโลภความโกรธความหลงนี่เองเวลานั่งสมาธิเราทำให้ใจของเราสงบความโลภความโกรธความหลงก็สงบตัวตา่างตกตะกอนเหมือนตะกอนมันตกมันแยกออกจากน้ำก็จะําน้ำน้ำใสเวลาใจสงบปับ๊บเวลาเกิดความอยากมันจะรู้เลยว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ตอนนี้ถ้ามันไม่สงบนี่เกิดความอยากมันไม่รู้ว่ามันทุกข์เพราะความอยากมันรู้เพราะว่ามันไม่ได้ของที่มันอยากได้มันก็เลยไปหาของที่มันอยากได้แทนที่จะมาหยุดความอยากมันไปแก้ผิดจุดมันต้องมาแก้ที่ความอยากแต่มันกลับไปแก้ที่ของที่มันอยากได้มันได้อะไรมาแล้วมันหมดอยากก็แบบอยากได้กระเป๋าก็ไปซื้อมาเดี๋ยวอีกสองวันเงีได้นองเท้าเดี๋ยวก็ไปซื้อนองเท้าเดี๋ยวก็ไปซื้อเสื้อผ้า เดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาซื้อกระเป๋าใหม่ๆมันก็วนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหยุดความอยากซื้ออย่างต่อไปก็จบอยากจะซื้อกระเป๋าก็ไม่ซื้ออยากจะซื้อรองเท้าก็ไม่ซื้อถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อด้วยความจำเป็นไม่ได้ด้วยความอยากเช่นกระเป๋าขาดแล้วรองเท้าขาดแล้วเสื้อผ้าขาดแล้วใส่ไม่ได้อันนี้ซื้ออัีก็มันก็ไม่ต้องซื้อบ่อยแล้วเมื่อไม่ได้ซื้อด้วยความอยาก เวลาไม่ได้ซื้อมันก็ไม่เดือดร้อนถ้ายังยังไม่มีเงินซื้อก็ใช้ของเก่าไปก่อนขายก็ปะมันเอาสมัยนี้กลับใช้ชอบซื้อของขาดกันมาใส่ไม่ใช่กนะ <c oughs> งโกงเกงสมัยนี้ต้องขาดยเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ถ้าใจไม่สงบมันจะไม่เห็นว่าตั ว, ตวที่ตัวที่เป็นตัวการก็คือความอยากที่ทำให้เราทุกกัน และการที่จะทําให้เราหายทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่ใช่ไปทําตามความอยากไปทําตามความอยากมันก็หยุดอยากชั่วคราวแต่มันไม่อยากมันไม่หยุดอย่างถาวรหยุดตอนนี้มันได้ของตามใจอยากแล้วมันก็มันก็หยุดอยากของนั้นพอได้กินกาแฟแล้วมันก็ไม่อยากกินอีกแล้วพอมันกินอิ่มแล้วไม่เอาแล้มันอยากแยกมันอยากจะได้อย่างอื่นนะมันก็เปลี่ยนจุดไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาหากาแฟอีกแล้วพังเมื่อกลับมาใหม่ แต่ถ้าเราลองหยุดฝืนมันทุกครั้งอยากจะดื่มกาแฟไม่ดื่มมันเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่มาเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วเราไม่มีกำลังถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกาลังถ้ามีสมาธิใจมันมีความสุขในตัวมันเวลาใจสงบมันมีความสุขยิ่เวลาเกิดความอยากมันฝืนได้ไม่ทำตามความอยากได้เพราะว่ามันมีความสุขเหมือนคนที่กินข้าวอิ่มแล้วอยากจะกินอีกมันก็ไม่กินก็ได้ แต่คนที่ไม่ได้กินข้าวนี่พออยากกิ น, กนมันไม่ได้มันต้องกินให้ได้คนที่ไม่มีสมาธิเหมือนคนที่ใจไม่อิ่มใจที่มีความหิวพออยากได้แล้วต้องได้ต้องเอาให้ได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้จะตายให้ได้แต่คนที่มีสมาธินี่เวลาเกิดความอยากมันสู้ได้มันมีความอิ่มอยู่ในตัวมันแล้วมันรู้ว่าถ้ามันรู้ว่าการไปทาตามความอยากนี้ยิ่งจะทำให้อยากไปเรื่อยๆมันก็จะฝืนมันไม่ยอมทำ พอไม่ยอมทำตามเดี๋ยวเดียวมันต่อไปมันก็หมดน ะ, น, ะนี่คือเรื่องของการให้ธรรมะมีคนเป็นประโยชน์ตรงนี้ถ้าไม่มีธรรมะพวกเราจะต้องติดคุกติดตารางในการวนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบสิน้นเพราะจะต้องกลับมาอยากอยู่เรื่อยๆกลับมาซื้อกระเป๋ากลับมาซื้อนองเท้ากลับมาซื้อเสื้อผ้า ซื้อมันแลกซื้อมีเท่าไหรก็ซื้อมันตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายต้องมาทุกกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ยินคาว่าปากกัดตีนถีบ เ, เนี่ยก็เพื่อทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองเพื่อจะเาลาร่างกายไปทำตามความอยากต่างๆไปเที่ยวไปทำอะไรกัน แล้วพอแก่ก็ัเที่ยวไม่ได้พอเจ็บก็เที่ยวไม่ได้ก็ทุกข์อีกแต่พอตายไปก็กลับมาใหม่เพราะความอยากมันไม่หมดมันก็ดึงใจกลับมาใหม่ใจไม่ได้ตายไปกับร่งางกายมีคำถามทางไหนบ้งางกหมเปล่าว่ามาเลยคำถามจากคุณสินิลักษ ตอนนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทตอนไม่นั่งไม่คิดค่ะแต่พอได้นั่งสมาธิความคิดไม่รู้มาจากไหนในหัวมีแต่ความคิดของตัวเองให้แก้ตรงไหนคะก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโทไปอยู่กับลมพุทธเท่าโทออกไปตอนนี้ตอนต้นมันจะเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆเพราะกำลังของเรามันไม่สติของเรามีไม่มากมันก็ เข้ามาแต่ถ้าเราพูดเข้าโทออกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเองคำถามจากคุณธนพรดวงจิตไม่ดับหรอคะรอไปเกิดกะร่างใหม่เช่นนั้นดวงจิตไม่เป็นอนัตตากรุณาชีแนะด้วยเจ้าค่ะดวงจิตนี่มันมันไม่มีตัวตวนหรอกมันเป็นดวงจิตเป็นตัวรู้ผู้รู้ ตัวตนมันเกิดจากผู้คิดพอคิดขึ้นมาก็มีตัวตนพอหยุดคิดตัวตนก็หายไปเวลานั่งสมาธิเวลาจิตสงบจิตหยุดคิดตัวตนก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้แต่ตัวจิตมันไม่ตายมันไม่หมดมันมันมันเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลามันเป็นตัวรู้ตัวคิดแล้วมันไปงมันไปไปหลงกับความคิดของมันเอง ไคิดว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาคำถามจากคุณอรนุชเปิดร้านอาหารที่มีเนื้อสัตว์ผิดข้อสัมมาอาชีวะหรือไม่เจ้าคะถ้านื้อสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ที่เราไม่ได้ฆ่าเองหรือไม่ได้สั่งให้เขาฆ่านี่ไม่ผิดเ้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายนะไม่ใช่เป็นเนื้อสัตว์เป็นเช่นเขเอาปลามาใสาต่ตู้ขาย เวลาต้องการปลาทอดก็ชี้ไปตัวนี้แล้วก็ mm hmm. ตักออกมาแล้วก็ไปใส่กระทะทอดในเขงนางี้แต่เงี้ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบาปด้วยแล้วก็เป็นมิจฉาชีพด้วยไม่ใช่เป็นสัมมาชี พ, mm hmm. พราะทำอาชีพที่ทำให้เกิดความตายเถาะแก่ผู้ไม่ควรจะทำคำถามจากคุณเต้ ผมให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นภาวนาพุทธโทตามแต่โอกาสจะเอื้ออำนวยปฏิบัติมาหนึ่งปีแล้วลมหายใจเบาขึ้นละเอียดขึ้นสุขสงบกว่าเมื่อก่อนมากกระผมควรทำเช่นไรต่อไปครับก็ทำให้มากขึ้นทำอย่างกั้งทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นคำถามจากคุณนรงชัย เลี้ยงสัตว์ขายบาปไหมครับหรือเลี้ยงสัตว์เล็กๆเช่นกุ้งถ้าเลี้ยงสัตว์ที่จะเอาไปฆ่ากินก็บาปถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วไม่เลยไปฆ่าก็ไม่บาปคำถามจากคุณป้อมทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์รู้สึกมีความสุขเข้าใจแต่ขณะที่ลูกถามพระอาจารย์อยู่มีสิ่งมากระทบทำให้ลูกเกิดความทุกข์ ม, มาก ถือว่าลูกกําลังพลอเจอหน้ากับกรรมใช่ไหมเจ้าคะเพราะทุกทีก่ที่ลูกกําลังพบเป็นความอยากความอย า, อยากอย่างหนึ่งที่พระอาจารย์เคยสอนคืออยากให้เขาเข้าใจเราต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็ต้องอย่าไปหยาาให้เขาเข้าใจเราทําไมต้องให้เขาเข้าใจเราขอให้เราเข้าใจเราก็พอคนอื่นจะเข้าใจเราหรือไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของเรา เอาแล้วเข้าใจเราเราก็พอแล้วถ้าเรารู้ว่าเราดีก็พอใจแล้วคนหนึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเราดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรารู้ว่าเราไม่ดีก็พอใจแล้วถ้าเรารู้ว่าเราไม่ดีเราจะได้แก้ไขตัวเราได้ส่วนคนหนึ่งเขาจะเข้าใจเราแล้วไม่เข้าใจเรานี่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาคำถามจากคุณพัทรพน์ วิธีการปฏิบัติของเปโชวิปัศนาคือเอามือสองข้างประกบกันแล้วให้เพ่งถึงความร้อนตรงฝ่ามือแล้วบอกว่าใช้ความร้อนนี้ในร่างกายเผากิเลส ท, ที่อยู่ในกายจิตก็อยู่ในกายเพราะฉะนั้นเผากิเลสในกายก็เท่ากับว่าเผากิเลสในจิตไปด้วยวิธีนี้ถูกต้องไหมครับ อ, อ๋อวิธีนี้เราไม่รู้หรอเราไม่ได้เรียนมาคำถามจากคุณจิต การดับปัญหาทำอย่างไรให้มันหมดไปอย่างสิ้นเชิงครับก็ต้องมีสมาธิก่อนพอ ม, มีสมาธิแล้วก็เห็นว่าการทำตามการทำตามความอยากปัญหานี่มันจะทำให้ต้องทำอยู่เรื่อยจะไม่หยุดวิธีที่จะให้มันหยุดก็ต้องไม่ทำตามความอยากท่านั้นมันอยากสูบบุหรี่อย่างนี้ถ้าอยากจะเลิกสูบบุหรี่ก็ต้องไม่สูบทุกครั้งที่อยากจะสูบก็ไม่สูบ พอเราไม่สูบตามความอยากไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากก็หยุดไปเองแต่ถ้าเราทําตามความอยากทุกครั้งมันก็จะกลับมาอยากใหม่เรื่อยๆคําถามจากคุณใจแอนเวลาทํางานแล้วจะตั้งใจมากอยากให้งานออกมาดีจนเครียดเกินไปมีหลักธรรมข้อไหนให้ยึดเหนี่ยวได้บ้างครับพระอาจารย์ก็ให้ทําตามมีตามเกิดให้ยินดีตามผลที่ทเกิดขึ้น เราทําให้ดีที่สุดก็แล้วการตามความสามารถของเราแต่ผลจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ยอมรับมันไปเหมือนเรียนหนังสือก็เรียนให้ดีที่สุดตั้งใจให้เรียนให้สุดแต่ถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็อย่าไปเสียใจอย่าไปกังวลคําถามจากคุณกิติยาขณะนี้หนูกําลังป่วยแต่อยากไปปฏิบัติธรรมต้องทานอาหารทานยา อย่างนี้ไม่สามารถบวชชีพรรมถือสินแปดได้ใช่ไหมคะไม่งั้นถือสินห้าแต่ไปปฏิบัติธรรมได้ไหมคะได้แต่มันจะสู้ถือสินแปดไม่ได้คาถาม<ห>จากคุณกรณ์ผมเก็บตังได้ในขณะที่เดินซื้อของที่ตลาดแล้วระบุคนที่ทำเงินหล่นไม่ได้เลยตัดสินใจนำเงินไปใสต่ตู้ที่วัดแบบนี้ถูกต้องไหมครับ คือมันไม่ใช่เป็นเงินของเราวิธีถูกต้องที่สุดก็วางไว้ที่เดิมคำถามจากคุณโลกทั้งใบเวลาดิฉันทำความผิดแล้วดิฉันไม่สบายใจเลยเราจะต้องทำอย่างไรคะก็อย่าทำความผิดต่อไปเดี๋ยวความไม่สบายใจมันก็หมดไป แต่เอาความรู้สึกนี้มาเตือนใจว่าเนี่ยทำความผิดแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเราต่อไปจะได้ไม่กล้าทําความผิดอีกต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดของเราเอาความผิดพลาดของเรามาเป็นบทเรียนสอนใจเราต่อไปคําถามจากคุณว่านเมื่อนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งหายจิตนิ่งหายใจเบามากจนเหมือนหยุดหายใจ เราต้องทำอะไรต่อไปคะให้จิตนิ่งนิ่งอยู่ต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอะให้นิ่งไปนานๆให้มันนิ่งมากกว่านี้ได้ย่างดีต้องให้มันนิ่งแบบมหัศจรรย์ใจนิ่งแล้วเบา อ, อกเบาใจมีความสุขไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะได้อะไรคำถามจากคุณเลสฟุ้งซ่านมากเวลาทำสมถะความคิดเรื่องที่กาลังกังวล พิจต ก, กังวลเข้ามาตลอดจะต้องทําอย่างไรครับก็ต้องหัดฝึกสติให้มากก่อนก่อนก่อนที่จะมานั่งต้องหยุดความคิดต่างๆให้ได้ก่อนที่จะมานั่งถ้ายังหยุดไม่ได้เวลานั่งมันก็จะคิดแล้วก็สร้างความฟุ้งซ่านขึ้นมาดัางนั้นต้องหัดนั่งหัดฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้คิดเรืเ่อยเปื่อยจะหยุดพุดโทโธก็ต่อเมื่อต้องใช้ความคิด ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆจะต้องวางแผนว่าวันนี้ต้องไปทำอะไรบ้างวันนี้วันอะไรมีโทระที่ไหนทำอะไรมีนัดกับใครหรืออะไรก็พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็ขณะที่เตรียมตัวไปทางานก็พูดโทไปคำถามจากคุณพัชรัก์ตอนนี้แม่ของลูกได้เสียไปแล้วลูกทำบุญให้ท่านท่านจะได้รับหรือไม่เจ้าคะแล้วทำยังไงถึงจะได้รับคะ อยู่ที่ว่าท่านมีบุญหรือเปล่าถ้ามีบุญติดตัวไปท่านก็ไม่ต้องมารอรับบุญที่เราส่งไปเพราะบุญที่เราส่งไปนี่มันบุญมันน้อยมากบุญที่ท่านทำไว้นี่มันมากกว่าบุญที่ส่งไปนี้เป็นบุญเหมือนเงินเงินที่เราให้ขอทานแต่บุญที่เราทำนี้เป็นเหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารเวลาถ้าเราทาบุญเรามีเงินฝากในธนาคารเวลาตายไปเราก็ ไปเบิกในธนาคารบุญได้เราก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเลยเช่นเป็นเปรต เ, เนี่ยเวลามีชีวิตอยู่ก็ทำบาปเพื่อจะได้รวยจ ะ, จะได้เงินเยอะๆได้อะไรเยอะ ๆ, ๆแต่พอได้มาก็เสียดายหวงไม่ยอมมาไปทำบุญนี่นี่คือลักษณะของเปรตอยากได้แต่ไม่อยากเสียแล้วได้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกด้วยวิธีช่อโกงโ ก, โกหกหลอกลวง ถ้าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนี่ก็ตายไปก็ถึงจะไปเป็นเปรตกันแต่ถ้าขณะแม่ของเราอยู่ยังทําบุญใส่บาตรรักษาศีลได้อยู่ก็ไม่ต้องไปกังวลเขาไม่ไปเป็นเปรตแล้วคำถามจากคุณชมุมทํากรรมอะไรไว้ถึงมีแต่คนเอาเปรียบครับ อ, อ๋อเรื่องของการเอาเปรียบนี่ม่เป็นเรื่องปกติที่ไหนก็ทุกคนก็ต้องการเอาเปรียบกันทั้งนั้นแล้วก็ พอเราเคยเอาเปรียบคนอื่นเราก็เลยองมาให้เขาเอาเปรียบแต่คนทุกคนที่มาเกิดนี่ก็เป็นพวกที่อยากจะเอาเปรียบทั้งนั้นอยากจะได้มากๆได้ง่ายๆได้เร็วๆก็เอาเปรียบกันนอกจากคนที่ทำบุญนั่นน่ะที่จะไม่ชอบเอาเปรียบผู้แสดงว่าเราไม่ได้ทำบุญเรามีแต่ทำบาปมีแต่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็เลยต้องมาเจอคนที่เาเอารัดเอาเปรียบเรา ถ้าเราทาบุญเราก็จะมาเจอคนที่เขาชอบทาบุญเขาก็จะไม่เอารัดเอาเปรยกเราคำถามจากคุณจักริดที่พระพุทธทองค์ทรงแสดงว่าพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างไรครับก็ทรงให้เราเพึ่งพระธรรมวินัยเป็นอาจารย์แทนท่านไงเพราะเราอาจจะคิดว่าไม่มีพระเจ้าแล้วไม่มีใครมาสอนแล้วล่ะ แต่คำสอนต่างๆที่ท่านทรงสอนไว้นี่แหละก็ยังเป็นคำสอนต่อไปเป็นอาจารย์ได้เหมือนกับขณะที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยากกว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เพราะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เหมือนท่านป้อนอาหารให้เราถ้ท่านไม่ท่านไม่มีชีวิตอยู่เราต้องไปกินอาหารเองอต้องไปอ่านหนังสือธรรมะเองต้องไปป้อนตัวเอง แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเนี่ยเช้ามานั่งฟังเทศฟังธรรมสบายกว่าไปอ่านหนังสือธรรมะเนี่เราต้องคอยป้อนให้ทุกวันทุกวันต่อไปถ้าเราตายไปแล้วก็ต้องไปต้องไปอ่านหนังสือเราเองแต่อาจารย์ยังอยู่คือคำสอนนี่แหละคืออาจารย์แต่ตัวคนป้อนไม่อยู่แล้วคำถามจากคุณเกียงกลาภาวนาบางครั้งดีบางครั้งหย่อน กิเลสเดิมๆปะทุอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกว่าภาวนาดีกิเลสตัวใหญ่มากวนตลอดอยากทราบอยากกลาวขอกําลังใจในการต่อสู้ไปครับก็ต้องให้คิดว่าเราเป็นเหมือนออนักกีฬาเริ่มต้นนักมวยเพิ่งเริ่มหัดชกเราก็ต้องไปเจอคู่ต่อสู้ที่เขาเป็นช่ำชองบนเวทีใหม่ๆแล้วก็มักจะต้องแพ้เขาแต่ถ้าเรา พยายามสู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็เก่งขึ้นมาเองแล้วต่อไปเราก็จะเป็นแชมป์ได้ตอนต้นก็ต้องยอมให้เขาไล่ถลุงก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นลูกไล่เข้าไปก่อนต่อไปเราฝึกเราสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะแก่งขึ้นไวขึ้นฉลาดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็สู้เขาได้คว้าแชมป์มาได้ดูพระพุทธทุกครั้งที่เราท้อแท้ก็นึกถึงแชมป์คือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวก ตอนต้นท่านก็เหมือนเราเนี่ยท่านก็ล้มลูกคุกคานไปกิเลสมันเป็นเจ้าหัวใจเรามาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วอยู่ดีๆจะไปชิงแชมป์กับมันทันทีขั้งแรกมันไม่มีวันอ่ะมันเป็นแชมป์องค์นึงเปิกมาไม่รู้กี่สมัยแนละ้ะไอเราเพิ่งมาหัดชกแล้วจะไปชกจะไปเอาเหรียญทองจากมันได้ง่ายๆมันก็ต้องพยายามไต่เต้าตขึ้นไปเรื่อยๆชกไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราก็เก่งเก่งกว่ามันเองเ <ขำ S 1> พราะเรามีเทรนเนอร์ที่ดีเรามีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์เป็นเทรนเนอร์ท่านเคยชนะกิเลสมาแล้วดังนั้นเรามีเทรนเนอร์ดีๆเราต้องชนะมนันแน่ๆขอให้เราเชื่อเทรนเนอร์ท่านกลัวไม่เชื่อกันหนะือคำถามจากคุณนวรารัตน์เวลานั่งสมาธิจิตสงบดีเจ้าค่ะ แต่ทำไมลูกพิจารณาไม่เป็นติดอยู่ที่จิตสงบเท่านั้นลูกต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าคะก็เริ่มต้นที่ดูความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เช่นทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองอบุคคลต่างๆว่าเขาไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องไปจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปให้ให้หัดคิดแบบนี้ไป มีอะไรที่เรามีอยู่ที่เรายึดติดก็ต้องบอกว่าต่อไปเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะหรือถ้าอยากจะเห็นความไม่เที่ยงก็ไปงานศพ บ, บ้างไปงานศพแล้วไปดูคนที่นอนตายในโรงเนื<ม>้อเขาเขาได้อะไรไปบ้างหรือเปล่ า, าของต่างๆที่เขามีอยู่ตอนนี้เขามีชีวิตอยู่นี่<ม>เขาเอาอะไรไปได้บ้างหรือเปล่าอแล้วเราก็จะคิดไปในทางปัญญาได้ต่อไปแล้วก็จะมองเห็นทุกคนจะต้องตายหมด คนนั้นก็ต้องตายคนนี้นก็ต้องตายเนี่ยเราเห็นคนตายตั้งแต่ตอนอายุสักสิบสองสิบสามขวบเห็นเพื่อนที่โรงเรียนตายจมน้ําตายแล้วไปงานศพเขาเขาเป็นคริสเขาก็เลยมีมีให้ไปดูศพได้ก็ เ, เปิดฝาลงให้เขาไปดูดูดูก็มันก็ไม่น่าเกลียดเขาแต่งตัวซะหลอดแล้วใส่ถูกเน็กไทยใส่เสื้อนอกอะไรแต่มันเป็นเหมือนตุ๊กตาอ่ แล้วก็ดูแล้วก็ทำให้เราคิดกลับมาว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาต่อไปคนที่เรารักปูย่ย่าตายายพ่อแม่เพื่อนฝูงใครต่อไปก็ต้องตายกันหมดเนี่ยมันก็จะทำให้เดินทางปัญญาไปเองให้พิจารณาความตายแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะมันจะทำให้เราพิจารณาเรื่องความตายไปเนี่ยพิจารณาความตายนี้ก็คือปัญญาความไม่เที่ยงเนี่ยต่อไปเราก็เห็นทุกอย่างไม่เที่ยง เราก็เลยเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันเที่ยงเราก็จะต่อไปเราก็จะปล่อยวางไม่ไปอยากให้มันเท PO ี่ยงพอเราไม่ไปอยากให้มันเที่ยงเราก็จะไม่ทุกข์ใช่คนที่เราไม่รู้จักนี่เขาตายไปเราทุกข์ไหมเพราะเราไม่ไปอยากให้เขาไม่ตายใช่เขาตายก็เรื <S <S ่องของเขาก็คนที่เรารู้จักก็เหมือนกันเขาตายก็เรื่องของเขาเหมือนกันแต่เรามันยังไม่ยังไปอยากให้เขาไม่ตายเราก็เลยทุกข์กับเขา แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตายเราก็ไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเรามองร่างกายของเราเหมือนกับเป็นร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักมันก็ตายเหมือนกันไม่ใช่เหรอคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักมันก็ตายเหมือนกันทําไมกับคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ทุกข์แต่กับคนที่เรารู้จักรื่ของที่เป็นของเราเรากลับทุกข์ก็เพราะเราไปยึดไปอยากให้มันไม่ไม่จากเราไปท่านเอง นั้นเราไม่อยากจะทุกข์กับของที่เราจะต้องเสียเช่นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารักเราก็ต้องอยากไปอยากนั่นเองแต่มันก็กลับมาที่ความอยากความทุกข์ของพวกเราทุกอย่างนี้อยู่ที่เกิดจากความอยากของเราท่านเองแต่จะทาจะหยุดความอยากได้ก็ต้องนั่งทำสมาธิกันถ้าไม่ทำสมาธิก็ไม่มีกาลังสู้ความอยากได้เราจึงต้องมาฝึกสติมาหยุดความคิดพอหยุดความคิดมันก็จะหยุดความอยากได้ เราก็จะไม่ไปคิดถึงความตายของคนอื่นเขาพอเขาตายเราก็เหมือนก็นไม่รู้ไม่ชี้ไปตายก็ตายไ ม, ไม่ไม่ได้คิดถึงมันสักอย่างใช่ไหมมันก็ไม่ทุกข์กับมันคําาถ่ะคุณรัตนาเมื่อสิบสามปีก่อนคุณพ่อป่วยหนะักคุณหมอให้หนูตัดสินใจว่าถ้าหัวใจท่านหยุดเต้น จะให้ปั๊มหัวใจเจาะคอใส่เครื่องช่วยหายใจหรือจะหยุดรับการรักษาหนูเลือกหยุดรับการรักษาหนูได้ทำกรรมหนักค่าพ่อหรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเองเพียงแต่หมอเข้ามาถามแล้วก็บอกเขาว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติออไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปทำให้พ่อตายพ่อตายแล้วเพียงแต่เราไม่ได้ไปทำให้ท่านฟืึออนันเองเราจะเรียกว่าไม่ได้ทาบุญก็ได้ แต่การทําบุญแบบนี้มันอาจจะเป็นการทําบุญแบบอแบบอะไรปราตรณาดีแต่ประสงค์ร้ายอะไรอย่างนี้นแทนที่เขาจะตายอย่างตายรอบหนึ่ ง, งเขาให้ก็มาตับตายอีกสองสามรอบพอแล้วเขาตายไปแล้วก็ไปปั้มหัวใจให้เขากลับมาแล้วเพื่อเขาจะได้ตายอีกรอบหนึ่งแล้วก็อยู่แบบก็เดวกเดวก็ดาๆทําอะไรก็ทําไม่ได้เอ้ถ้าปั้มหัวใจแล้วทําให้เขากลับมาวิ่งเต้นทําอะไรได้สักสิบปีออย่างงี้ก็น่าจะปั๊มอ แต่ถ้าปั๊มแล้วก็ยังนอนอยู่บนเตียงอย่างนะี้ก็อย่าไปปั๊มมันดีกว่าก็แล้วแต่กรณีคำถามจากคุณเอกลิปเวลาหลังจากผมสวดมนต์ผมจะแผ่เมตตาตลอดเวลาไปไหนผมมักเห็นวิญญาณผมจะแผ่เมตตาโดยใช้บทสักเทศาตาเขาจะได้รับหรือเปล่าครับ แล้วส่วนกุศลที่ผมแผ่ไปจะมีหมดหรือเปล่าครับอ้าวคุณเห็นมันแล้วยังาไม่ถามมันเหรอถามว่ามา <c oughs> ถามเราทําไมเราไม่เห็นเ <c oughs> จอ <c oughs> มันถามมันเลยก็เห็นมันไม่ใช่เราถึงแผ่เมตตาให้มันมาถามกูได้รับเมตตาหรือเปล่าคําถามสักคุณพัทรโพสล์ผมขอความเมตตาครับมีผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่าตัวเองเป็นพระธรรม คำมามิกา ร, ราชผมอยากทราบว่ามีลักษณะเช่นไรกระถามว่าใคมาถามเราเขาเป็นมันไม่ถามมันไม่เป็นมันถามคำถามจากคุณนาลงชัยการแผรกุศลไหว้เทวดาประจำตัวตอนทำบุญถูกต้องไหมครับไม่ถูกเราหนึ่งเรารู้หวือเปล่าเรามีเทวดาประจำตัวหรือเปล่า อ, อ่า อาจจะเป็นเรื่องงมงายไปทำไปให้เสียเวลาเปล่าๆแผ่เมตตากับเทวดาแท้จริงดีกว่าคือพ่อแม่เราเนี่ยคอยกราบไหว้พ่อแม่คอยรับใช้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยรักพ่อรักแม่เนี่ยเทวดาของเราเนี่ยเทวดาจริงไม่เอาชอบไปเอาเทวดาปลอมคำถามจากคุณธนพรเตตมีจริงหรือไม่คะในโลกนี้หรือภพอื่น หรือเป็นการเปรียบเทียบสภาวะของจิตใจนี่คนที่ทำบาปด้วยความโลภเนี่ยเปรอพวกขอรับชันทั้งหลายเนี่ยพวกซีทีเอ็กซ์พวกโบอิงพวกพวกเนี่ยเปรอทั้งนั้นอะคำถามจากคุณอรารยาหากหมอต้องถอดท่อออกซิเจนเช่นนี้จะบาปไหมครับไม่บาปหรอกก็เพียงแต่ไม่ได้เหมือนกับไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำเท่านั้นไม่ให้ลม คำถามจากคุณกันเวลาทําบุญแต่ไม่มีศรัทธาถ้าทําเราจะได้บุญไหมเจ้าคะถ้าทําก็ได้จะศรัทธาไม่ศรัทธาถ้าทําด้วยความยินดีก็จะได้บุญแต่ถ้าทําด้วยความไม่ยินดีก็จะได้บาปคือคือได้ความเสียดายได้ความเสียใจไม่อยากจะทําแต่ทําด้วยความยินดีแล้มีความสุขใจก็เรียกว่าได้บุญบุญคือความสุขใจ ถ้าทำแล้วไม่ได้ความสุขใจก็แสดงว่าไม่ได้บุญคำถามจากคุณพกผรการบริจาคเลือดจะได้บุญเหมือนบริจาคอาหารหรือทรัพย์ไหมคะได้ดีกว่าด้วยเพราะว่าเลือดมันมีคุณค่ามากกว่าอาหารยิ่งถ้าบริจาคอวัยวะได้ตับใตได้มันก็ยิ่งมีบุญมากกว่าเพราะมันมีคุณค่ามากกว่าหมดแล้วค่ะหมดแล้ว แต่ต้องเบริจากตอนที่เป็นนะตอนที่ตายไปแล้วไม่ได้นะเช่นเบริจากหัวใจเบริจากอวัยวะตอนที่เราตายไปแล้วเราจะไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราได้เบริจากไปเราเราไม่ได้เสียสละไปเราต้องรู้ตอนที่เราให้อย่างเช่นตอนนี้เราเบริจากตาเรารู้ว่าเราให้ตายเข้าไปเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นแต่เวลาเราตายเราไม่รู้ว่าร่างกายของเรานี่ก็เอาไปทาอะไรบ้างอย่างไร ยังต้องทำตอนที่เรายัางเป็นอยู่บริจากเงินทองก็เหมือนกันก็ต้องทำตอนที่เรายัางมีชีวิตอยู่ถึงจะได้บุญถ้าตายแล้วเข็นเป็นพินญายกรรมไปนี่เราไม่ได้บุญเนะพราะเราไม่รู้ว่าเราเราให้ให้ไปหรือยึบหรือไม่พอตายไปแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างอื่นขึ้นมาก็ได้การทำบุญนี่ต้องทำด้วยเจตนาด้วยการรับรู้ด้วยความต้องเกิดความรู้สึกจะ สุขใจขึ้นมาถึงจะได้บุญถ้ามีเงินทองมากเกินไปก็ให้ให้ไปเสียต่อนก่อนตายเก็บไว้เท่าที่เราจาเป็นจะต้องใช้ก็พอก็ดูแต่ปีหนึ่งเราใช้กี่ตังค์เราก็คูณเอาเราใช้ปีละล้านที่จะอยู่ได้ถึงร0อยปีก็คูณไปแล้วที่เหลือส่วนนั้นก็ทําบุญไปก็จะได้บุญ ดีกว่าตายไปแล้วเข็นพินัยกรรมไม่ได้บุญเลยมีหน้าอีกหนึ่งค่ะคําถามจากคุณป้อมลูกเคยฟังพระอาจารย์บอกว่าจะแผ่เมตตาให้กับศัตรูต้องทําตอนที่เจอกันลูกสามารถทําได้ยิ้มคุยได้แต่ใจยังโกรธบาปหมาเจ้าคะก็ยังไม่ได้แผ่จริง <laughs> ถ้าแผ่จริงต้องไม่โกรธนะแต่ก็ยังดีก็ยังพยายามทําไปอยู่ แต่กิเลด ม, ม, มันยังแรงอยู่ความโกรธมันยังแรงอยู่ก็ต้องพยายามทำไปบ่อยๆเข้าทำให้มากขึ้นแผอาจจะแผนไม่จริงก็ได้ลองซื้อของดีๆให้เขาดูสิซื้อไอโฟนให้เ็าักเครื่องคำถามถ้ามีคนทำแท้งแล้วมาพูดให้เราฟัง แล้วขอให้เราปกปิดช่วยไม่อยากบอกให้พ่อแม่เมื่อเราช่วยเราจะผิดผิดหมายเจ้าคะแต่เราไม่ได้บอกให้ฆ่าถ้าเราโกหกก็ผิดแต่ถ้าเราไม่พูดอะไรก็ไม่ผิดถ้าก็มาถามแล้วก็หุบปากไว้เฉยก็ไม่ผิดคำถามจากคุณนรงชัยบริจาคเงินน้อยได้กุศลเท่ากับเงินเยอะไหมครับถ้าคนคนเดียวกันก็ ถ้าบริจาคมากก็ได้มากอ <c oughs> ไม่เชื่อลองทําดูสิ <c oughs> บริจาคสิบบาทกับพันบาทนี่จะรู้สึกยังไงจะจะรู้สึกยังไงอันไหนจะมากกว่ากันจะสุขมากกว่ากันทําบุญสิบาทกับทาบุญพันบาทนี่อันไหนจะรู้สึกดีกว่ากันในคนคนเดียวกันนะแต่อย่าไปเปรียบเทียบกับอีกค น, นเพราะอีกคนหนึ่งเขามีฐานะไม่เหมือนเราออีกคนหนึ่งเขาทำสิบบาทนี่เขาอาจจะมีความสุขมากกว่าเราทํำพันบาทก็ได้เพราะเขาอาจจะมีแค่ร้อยบาท แล้วก็ทำไปสิบบาทนี่แต่เราทำพันบาทเราไม่ร้านอย่างนี้มันก็ความรู้สึกมันแตกต่างกันอาหัวเร า, าจะถามเลยเน้นอย่าอย่าเปรียบเทียบกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คนคนเดียวกันเนี่ยทามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยคำถามจากคุณพอเพียง ทำบุญกับการให้ทานต่างกันอย่างไรคะการให้ทานเป็นวิธีทําบุญอย่างหนึ่งทําบุญในพระพุทธศาสนามีสิบวิธีด้วยกันทําบุญที่เกิดจากการให้ทานหนึ่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมบุญที่เกิดจากการให้ทำต่อผู้อื่นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญบุญที่เกิดจากการ อุทิศบุญบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถม่อมตนสัมมาคาราวะ น, นี่คือบุญต่างๆบุญสุดท้ายก็คือบุญที่มีความมีมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นบุญสิบประการในพระพุทธศาสนาถ้าอยากจะทำบุญก็เลือกทำได้ในทั้งสิบประการนี้ ถามจากคุณกูนโลกทิพย์คืออะไรคะโลกทิพย์ก็คือที่อยู่ของใจขาเมื่อไรทั้งหมดเนี่ยร่างกายนี้อยู่ในโลกกระทส่วนใจนี้อยู่ในโลกทิพย์เหมือนอยู่ในโลกพระจันทร์อยู่คนละที่กันแต่โลกทิพย์มันไม่มีรูปมีร่างเหมือนโลกกระทาเราจึงมองไม่เห็นนอกจากเวลาที่เราหลับตาแล้วเราเราก็จะเห็นเวลาเราหลับตาเช่นเวลานอนดับนี่ ตอนนอนหลับแล้วเราฝันไปเนี่ยเรากําลังไปอยู่ในโลกท่องเที่ยวในโลกทริปกันอยู่โลกทริปก็คือโลกของใจพวกเราของความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆของเราเนี่ยที่มันสร้างขึ้นมาตอนเวลาเรานอนหลับนี่เรายังไปเที่ยวได้ไม่ใช่เหรอฝันได้ใช่ไหมฝันว่าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปมีความสุขมีความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มันก็เป็นความคิดของเราแต่เราเหมัอนก็เห็นจริงเห็นจังเลยเวลานอนหลับฝันไปเอเหมือนกับ เหมือนกับดูด้วยตาเนื้อของเราทั้งๆ ท, ที่ร่างกายเรามันนอ น, น, อนหลับตาแต่ใจเรานี่มันเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนกับว่ามันมันเหมือนกับมีร่างกายนี่แหละคือร่างทิพย์เนี่ยร่างทิพย์ก็คือใจเรามันก็จะฝันมันก็จะฝันดีฝันดีก็ผลจากการทําบุญทําบุญแล้วจะทําให้เรามีความคิดที่ดีเราก็จะฝันแต่เรื่องดีๆถ้าทําบาปมันก็จะทําให้เราฝันร้ายคิดแต่เรื่องที่ไม่ดี ขุะตาชาแบบคนที่ทำบุญนี่เวลานอนหลับจึงไม่ฝันร้ายเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขหมดแล้วยังยังไม่หม ด, นะดอ่ะเะข้ามาคำถามจากคุณจักริดเหตุใดพระพุทธองค์ทรงสแสดงว่าเงินทองเครื่องประดับอันชาวโลกสมมุติว่ามีค่าเปรียบดังอสกรพิษครับว่ามันมีทุกข์ด้วย ว่เวลาหมดไปมันทุกข์ไหมเวลามีมันก็สุขแล้วเวลามันหมดเมันก็ทุกข์แล้วก็ไม่มีใครจะรู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่กันงั้นถ้าไม่มีมันจะดีกว่าถ้าอยู่แบบไม่ต้องมีเงินได้มันดีกว่าอยู่แบบพระนี่ไม่ต้องมีเงินกา mm hmm. จะอยู่แบบพระอ ย, อยู่แบบไม่มีเงินได้ต้องรู้จักวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินกันตอนนี้พวกเราต้องใช้เงินเพื่อหาความสุขกัน แต่พระพุทธเจ้าทรงคนพบวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็คือการถือศีลแปดแล้วก็การมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมถ้าเรานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้เราก็จะมีความสุขดีกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้เงินใช้ทองคําถามจากคุณเต้ศีลเป็นเครื่องส่งเสริมให้สมาธิก้าวหน้าใช่หรือไม่ครับใช่เราจะได้มีเวลาปฏิบัติสมาธิไง ถ้าเราถือศีลห้านี่ยังไม่พอศีลห้านี่ยังยังไม่ได้ห้ามให้เราไปเที่ยวกันไม่ให้เรากินอาหารเย็นไม่ให้เรานอนร่วมกันแต่ถ้าถือศีลแปดนี่ก็จะห้ามกิจกรรมเหล่านี้พอว่ามีมิไม่มีกิจกรรมเหล่านี้ทาเราก็เลยมีเวลาที่จัมานั่งสมาธิกันคำถามจากคุณออย การทำบุญให้คนที่มาเดินรับบริจาคทั้งที่บางครั้งรู้ว่าเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปนําเข้าวัดจริงๆได้บุญไหมคะเราได้แต่เราส่งเสริมให้คนหนึ่งก็ทําบาปเพราะว่าเขามาหลอกลวงมาหลอกลวงเอาเงินนี้ไปใช้ส่วนตัวถ้าเรารู้เราก็ไม่ควรทำถ้าเราอยากจะทําบุญแล้ไม่ทําให้เกิดโทษแต่คนอื่น<ม>ก็ควรที่จะไปทําที่วัดที่เรารู้ว่าเขารับไปใช้ทําประโยชน์จริงๆ เนี่ยเดี๋ยวส่งเสริมให้คนเป็นมิจฉาชีพกันมาคอยหลอกลวงกันคำถามจากคุณอัญเชลีพ่อแม่ท่านไว้ใจเราฝากเงินไว้กับเราพอท่านเสียชีวิตไปแล้วเราก็เอาเงินของท่านมาทำบุญไปเรื่อยๆกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราอุทิศบุญให้ท่านตลอดพ่อแม่เราจะได้รับบุญคุศล น, นี้ด้วยหรือเปล่าเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเขาเขามีบุญติดตัวไปหรือเปล่า ถ้าก็ไม่มีบุญติด ต, ตัวไปเขาถ้าก็มารอรับเขาก็ได้รับแต่ถ้าก็มีบุญติดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมารอรับเพราะบุญที่เราส่งไปนี่มันไม่ได้มากเหมือนกับบุญที่เราทําที่เรา ท, ทําทบุญร้อยบาทนี่เราส่งไปได้บาทเดียวเป็นเงินเงินให้ขอทานแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีขอทานได้บาทนึ่งมันก็ยังดีใจเพราะแม่ถ้าไม่มีบุญติดตัวไปเลยเขาก็ต้องมารอรับส่วนบุญที่เราจะส่งไปให้เขา แต่ถ้าเขาทำบุญไว้มากเช่นเขาให้เงินเราไว้นี่ก็สแสดงว่าเขาได้ทำบุญนะเพราะว่าเขาเขาไม่หวงเงินของทองเขาฝากเราไว้หรือให้เราไปตายไปเขาก็เขาก็มีบุญติดตัวไปลนะคำถามถ้าเราอยู่ด้วยกันกับคนที่ไม่ชอบเราจะอยู่อย่างไรไม่ให้ทุกข์ครับก็หัดชอบเขาสิ ถ้าชอบเขาได้มองส่วนที่ดีเขาบ้างคนเรามันมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีบางทีส่วนดีมีนิดเดียวมีจุดเดียวนะเหมือนผลไม้เนี่ยมีหนอนเจาะอยู่จุดเดียวโยนทิ้งไปทั้งลูกเลยก็เจาะไอ้ตัดไอ้ส่วนที่มันเสียออกไปส ouais ิส่วนที่ดียางกินได้คนเราทุกคนนันมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีพยายามค้นหาส่วนที่ดีของเขาแล้วเราก็จะชอบเขาได้คิดว่าอย่างน้อยก็มีเพื่อน อยู่คนเดียวบนเหงาอย่างน้อยได้อยู่กับเพื่อนเขาก็ยังมีส่วนดีเกิดมีพิษมีภยัยอันตรายเขาจะได้ช่วยเหลือกันได้ไอคิดอย่างนี้เราก็จะทําให้เรามีความสุขกับการอยู่กับเขาได้ถ้าไม่ชอบแต่ว่ามองว่าเขาหน้าตกศานนี้ได้ไหม ก, ก็ได้เหมือนกันอแล้วแต่เร า, ามองไปจนนคมองไปจนทั้งเราเราดับความไม่ชอบได้ก<ด>็แล้วกัน เรายุดความไม่ชอบหยุดความเกลียดในตัวเขาได้ก็เราแผ่ไมตตาแผ่เมตตาเออหรือทําใจอุเบกขาว่าเอา้าเหมือนลิ้นกับฟันชอบไม่ชอบก็ต้องอยู่ด้วยกัน เ, <c oughs> เป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่ว่าเป็นวิบากของเราที่ต้องมาเจอเขาก็ต้องอยู่กับเขาออก็ทําใจถ้าชอบไม่ถ้าชอบไม่ได้ก็ทําทําใจเฉยๆไปก็ได้อุเบกขาไป ถามจากคุณวัชชาจะมีอุบายอย่างไรที่จะทำให้จิตรวมลงเป็นสมาธิได้บ้างคะก็ต้องฝึกสติไงต้องพุโทโธไปทั้งวันอย่าคิดมาก ค, ดดคิดแต่พุโทโธแทนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งจิตก็จะรวมได้ง่าย อ, อ, อีกอคำถามถามจากคุณจุมพ์การบูชาเทวดาพญานาคคุดเขาสามารถให้คุณให้โทษแก่คนบูชาได้ไหมครับ ก็แล้วแต่เขาถ้าเขาอยากจะให้โทษเขาก็ให้ได้เพราะเขายังมีกิเลสอยู่ไม่เหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านจะไม่ให้โทษกับใครเพราะท่านไม่มีไม่มีกิเลสถ้าเกิดทําให้เทวดาโกรธเขาก็อาจจะทําโทษเราก็ได้เพราะกิเทวดาก็เป็นเหมือนพวกเรานี่แหละที่มีกิเลสเหมือนกันเพียงว่าเขาตอนนี้เขาไปเป็นเทวดาเนื่องจากผลที่เขาได้ทําบุญมารักษาศีลไว้เขาก็เลยได้เป็นเทวดา แต่เขาก็ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่ถ้าเกิดไปทําร้ายเขากโกรธขึ้นมาเขาก็อาจจะมาทําร้ายเราก็ได้คําถามจากคุณสมชยัยวิญญาณในขันห้าเป็นอนัตตามีเกิดดับแต่จิตวิญญาณของเราไม่มีเกิดดับใช่ไหมครับก็มันก็เป็นตัวเดียวกันตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่มีวันสลายไม่มีวันตายไม่มีวันหมดแต่ วาขันที่มีอยู่ในจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิงห้อยเปรียบเทียบตัวหิงห้อยมันไม่หายไปหรอกแต่แสงเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับไปที่เรียกว่านามขันเนี่ยที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเหมือนกับแสงหิ่งห้อยแต่ตัวที่มันอยู่ตัวที่ออกมาจากตมันที่ออกมาจาก อย่างนี้มันไม่มันอยู่ตลอดคือตัวจิตมันมันอยู่ตลอดแต่ตัวอาการของจิตคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงเห็นห้อยหมดแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้ก่อนใี่ไหมเหนื่อยนะวันนี้คำถามเยอะพออย่างนั้นก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ถ้าทุ